แมนูช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเถอะว่าเมืองนรกเป็นยังไงเหมือนโลกมนุษย์ที่เราอยู่ไหมนางแช่มได้โอกาสถามบ้างหลังจากที่เป็นผู้ฟังมานานไม่เหมือนหรอกจกนะไม่เหมือนเลยเพราะผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นมาด้วยอำนาจของกุศลกรรมส่วนผู้ที่ไปเกิดในเมืองนรกเข้าไปด้วยอำนาจอา ก, กุศลกรรมพูดง่ายๆก็คือ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 นางแต้มจึงถามขึ้นบ้างว่าหนูรู้ไหมว่าคนที่เริญกรรมฐานตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนหนางเสิ่งอธิบายว่ากรรมฐานเป็นกุศลกรรมขั้นสูงสุดที่เรียกว่าภาวนามม่ถ้าผู้ปฏิบัติสำเร็จมรรคผลถึงขั้นสูงสุดที่เรียกว่าอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็จะไม่ต้องมาเกิดอีก เรียกว่าบรรลุพระนิพพานบุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าพระอรหันต์รองจากพระอรหันต์เรียกว่าพระอนาคามีคือผู้สำเร็จอนาคามิมักต์อนาคามีผลหากตายจากโลกมนุษย์ก็จะไปเกิดเป็นพรหมในชั้นสุดทาวาดซึ่งมีห้าชั้นได้แก่อวิหาอตตปาสุทธาสา สุทัศสีและอากนิฐาต่ำกว่าพระอนาคามีคือพระสกธาคามีและพระโสดาบันตามลำดับพระโสดาบันและพระสกธาคามีอาจเกิดในโลกมนุษย์หรือโลกสวรรค์ก็ได้ผู้ที่สำเร็จมรรคผลตั้งแต่โสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลขึ้นไปถือว่า ตัดขาดจากอบายภูมิได้อย่างเด็ดขาดจะไม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานแล้วถ้าไม่บรรลุสักอย่างเดียวละจ๊ะอย่างฉันเงี้ยรู้สึกว่าตัวเองปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเลยไม่ถึงขั้นจะเป็นพระโสดาบันอย่างคนอื่นเข้าหรอกนางแต้มแสดงอาการวิตกก็อาจจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดา แต่ถ้ามีกรรมชั่วอยู่มากก็จะต้องไปตกนรกถ้ามีกรรมชั่วเพียงเล็กน้อยไม่หนักหนาสาหัสก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจ้กสาวน้อยตอบอย่างคล่องแคล่วนอกจากลักขโมยแล้วกรรมที่จะทำให้ตกนรกมีอะไรบ้างจ้าหนูคนถามคือนางแชม่ม กรรมที่จะทำให้ไปตกนรกมีสิบอย่างจ้ะเรียกว่าอากุศลกรรมบท10แบ่งตามลักษณะที่แสดงออกมาจะได้สมแบบคือกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมถ้าทำชั่วทางกายเรียกว่ากายทุจริตมีสามอย่างได้แก่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์และประพฤติผิดในกรรม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 ในสิบอย่างนี้จะต้องตกนรกต้องถูกทำโทษอย่างแสนสาหัสหาความสุขสบายไม่ได้เลยแต่ถึงจะทุกทรมานอย่างไรก็จะไม่ตายเช่นคนถูกเคี้ยนจนขาขาดก็ยังไม่ตายเพราะขามันจะมาต่อกันใหม่ให้ยมาบาลเคี้ยนอีกถ้อยคำของนางสอิง่งทำให้พระเจริญ นึกถึงคำบอกเล่าของตาแปะเหลงห้วยที่หนีจากเมืองนรกมาเข้าใหญ่เผ่าเพื่อจะบอกให้เจ๊เจียหลานสาวมาเจริญกรรมฐานและอุทิศส่วนกุศลไปให้แสดงว่าเมืองนรกนั้นไม่ดีเลยใช่ไหมนางโถถามสำหรับหนูหนูเห็นว่าทั้งดีและไม่ดีเพราะหนูได้ประโยชน์จากการไปตกนรกแต่ก่อน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 ได้ทวัดสวดมนต์ได้เจริญพระกรรมฐานคนที่สวดไม่เป็นและไม่เคยเจริญกรรมฐานหากตายไปตกนรกก็จะได้ไปเรียนรู้ที่เมืองนรกนั้นเช่นหนูเป็นตัวอย่างหนูถึงได้พูดว่านารกให้สิ่งที่ดีแก่หนูพระเจริญต้องการตรวจสอบเรื่องที่ตะแปะเหลงหวยบอกว่าพระมาลัยที่มะเทศโปรดสัตว์นรกนั้น เป็นฉายาใหม่ไม่ใช่ชื่อจึงถามขึ้นว่าพระมาลัยเป็นใครมาจากไหนหนูรู้หรือเปล่ารู้จะ้ะหลวงพ่อท่านเป็นพระอรหันต์ขี่นาศพที่ผลัดกันไปเทศโปรดสัตว์นรกมีอยู่หลายองค์คำว่ามาลัยเป็นฉายาไม่ใช่ชื่อเฉพาะพระอรหันต์ที่ไปเทศโปรดสัตว์นรก เรียกว่าพระมาลัยทุกองค์จะ่ะเป็นอันว่าสิ่งที่ตะแปะเหล่งหวยเล่าให้ฟังนั้นตรงกับที่นางะอิ้งบอกกล่าวทุกประการกระนั้นท่านก็ต้องการทราบอีกว่าพระไปตกนรกบ้างไหมเยอะเลยจ้าหลวงพ่อคำตอบของนางะอิ้งทำให้พระหนุ่มรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวเมื่อนึกถึงกรรมที่ขโมยข้าวตก รู้ได้ยังไงว่าเป็นพระเพราะมีผ้าเหลืองผูกข้อมือจะ้ะพระเนี่ยตกนรกง่ายกว่าคฤรือหัสอีกนะจา้าหลวงพ่อย ม, มาบาลบอกว่าในอนาคตพระจะตกนรกกันเยอะเพราะทำผิดวินัยถึงขั้นต้องปราชิกกันมากแล้วหนูถามย ม, มาบาลหรือเปล่าบอกคนที่ทำชั่วแก้ตัวใหม่ มีทางที่จะตัดเวรตัดกรรมได้อย่างไรมีจะ้ะและวิธีตัดเวรตัดกรรมได้นั้นมีทางเดียวคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแต่ถ้าเป็นกรรมหนักก็ไม่มีทางแก้ต้องชดใช้กรรมนั้นจ้ะหลวงพอ่อกรรมอะไรบ้างที่แก้ไม่ได้ท่านทดสอบทั้งที่ทราบคำตอบดีอยู่แล้วจากการศึกษาปริยัต กำหนักห้าอย่างที่เรียกว่าอนันตริยกรรมได้แก่ฆ่าแม่ฆ่าพ่อฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนพระโลหิตหอขึ้นและอยู่ยงสงให้แต่กันกรรมห้าอย่างนี้ลับรางไม่ได้ต้องชดใช้กรรมนั้นด้วยตัวเองจะ้ะแล้วยุมปบาลบอกหรือเปล่าว่าคนที่ไปลักข้าวเขานะ ต้องแก้กรรมอย่างไรนางเสิ่งเข้าใจว่าสมภารวัดป่ามะม่วงหมายถึงตัวหล่อนจึงตอบว่ายุมบาลบอกว่าต้องสร้างกุฏิกรรมฐานจะ้ะเพราะเหตุนี้หนูจึงชวนพี่ปุ่นกับพี่ทองคำมหาวัดที่จะสร้างกุฏิกรรมฐานหลวงพ่อให้หนูสร้างนะจะ้ะ ดีเลยหนูวัดนี้ยังไม่มีกุติกรรมฐานหนูมาช่วยสร้างให้เป็นคนแรกเลยนะหลวงพ่อดีใจเลือกเกินที่หนูมาวัดนี้ในใจท่านนั้นคิดว่าเห็นทีจะต้องสร้างกุติกรรมฐานให้เต็มวัดเลยจะได้ไม่ต้องไปตกนรกอย่างที่โยมเมาส์แกเคยพูดไว้ว่าลักพระแม่โพศพต้องตกนรก เมนูพระมาลายท่านเทศเรื่องอะไรบ้างพอจะเล่าสู่กันฟังได้ไหมนางเช่มสนใจใคร่รู้ท่านเทศถึงเรื่องกรรมที่พวกสัตว์นรกทำไว้อันเป็นเหตุให้ต้องตกนรกจ้ะเช่นคนที่เคยฆ่าวัวฆ่าควายเมื่อมาตกนรก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 คนที่ประพฤติผิดผัวผิดเมียเขาก็ต้องปีนต้นงิ้วมีหนามยาว16หองคุลีถูกหนามงิ้วแทงแล้วยังถูกแรงกาปากเหล็กจิกกินเนื้ออีกส่วนพวกที่พูดปดโกหกหลอกลวงเขาก็ถูกตัดลิ้นตัดแล้วมันก็มาต่อกันใหม่ให้เขาตัดอีกพวกดื่มสุราจะถูกย ม, มาบาล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 ชีวิตเวียนว่ายอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักจบจากสิ้นแต่บางพวกก็เข็ดขยาดไม่กล้าก่อกรรมทําชั่วอีกเพราะกลัวจะต้องไปติดคุกหรือไปตกนรกอย่างหนูเนี่ยเข็ดหลาบจริงๆใครจะมาจ้างสักหมื่นสักแสนให้ทําความชั่วหนูเป็นไม่รับเด็ดขาดเพราะเงินทองไม่มีความหมายในเมืองนรกจะมีเงินเป็นแสนเป็นล้าน ก็ต้องตกนรกหากทำความชั่วย ม, มาบาลไม่รับสินบนเหมือนพวกมนุษย์หรอกจ้าสาวน้อยเล่าขานหนูหลวงพ่อขอถามอีกข้อเธอสงสัยมานานแล้วคือหลวงพ่ออยากรู้ว่านรกนั้นมีเฉพาะของคนไทยหรือเปล่านรกฝรั่ง นรกแขกมีไหมไม่มีนรกไทยนรกฝรั่งนรกแขกโรลาหลหลวงพ่อไม่มีการแบ่งแยกคนทำความชั่วไม่ว่าจะเป็นไทยฝรั่งหรือแขกก็ต้องไปตกนรกเดียวกันทั้งนั้นการแบ่งแยกเชื้อชาติมีแต่ในโลกมนุษย์นรกสวรรค์ ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติหรือศาสนาหรอกจาก้าหนูเคยไปเห็นสวรรค์มาแล้วหรือถึงได้รู้นางแต้มเป็นคนถามยังไม่เคยเห็นหรอกจนะที่รู้เพราะยมบาลบอกแต่อีกห้าปีหนูก็จะได้ไปเห็นยมบาลให้หนูมาเกิดในโลกมนุษย์20สิปีถ้าหนูทำตามที่สัญญาไว้กับยมบาลคือรักษาอุโบสถศีลทุกวันพระ กับสร้างกุฏิกรรมฐานด้วยเงินหนึ่งช่างไม่ขาดไม่เกินตายแล้วหนูจะได้ไปเกิดในสวรรค์ไม่ต้องไปเกิดในเมืองนรกอีกหนูมั่นใจเพราะโยมาบาลเขาจะไม่โกหกหรอกจะนะสงนิงเนินเฉลียวเคาะระฆังบอกเวลาทำวัดเย็นสมภารวัดป่ามะม่วงจึงพูดขึ้นว่า ได้เวลาทําวัดเย็นแล้วขอเชิญญาติโยมไปลงอุโบสถเพื่อทําวัดเย็นด้วยกันโยมปุ่นด้วยหลังจากนั้นจะได้ปรึกษาหารือกันเรื่องการสร้างกุฏิกรรมฐานหนูวันนี้หลวงพ่อขอให้ช่วยเป็นคนนำญาติโยมสวดมนต์ได้ไหมท่านถามหนังะอิ้งได้จะ้ะตอนอยู่เมืองนรก หนูก็ทำหน้าที่นี้เสาวน้อยรับด้วยความเต็มใจจากนั้นสมภารวัดป่ามะม่วงจึงเดินนำญาติโยมไปที่โบสถ์ซึ่งหลวงตาอ้อนหลวงตาเฟื่องสมณเณรเฉลียวและแม่ชีก้อนทองรออยู่แล้วเมื่อพระเจริญนำกราบพระและบูชาพระรัตนตรัยแล้วนั่งสออิ่ง ก็นำสวดมนต์ทำวัดด้วยเสียงกังวนใสจนแม้พระเองก็แอ บ, บชื่นชมในใจจะกล่าวไปใยญ่ถึงญาติโยมโดยเฉพาะโยมผู้ชายนั้นต่างก็อยากเป็นนายปุ่นตรงที่มีเมียสาวสวยเสียงไพเราะสน่โสดเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงการทำวัดสวดมนต์ก็เสร็จสิ้นลงเนนเฉลียวเป็นคนหนุ่มที่ค่อนข้างใจร้อน ท่านรีบเดินไปที่สาวน้อยกล่าวชมว่าย่อมสวดมนต์เก่งเลือกเกินน้ำเสียงก็เราะเพาะปริงอาตามา ย, ยังไม่เคยเห็นใครสวดมนต์ได้เพราะเช่นนี้มาก่อนท่านเข้าใจผิดคิดไปเองว่านางเอิงเป็นหลานสาวของสองตายายคู่นี้นึกหมายมั่นปั้นมือว่าถ้าศึกหาลาเพศเมื่อใดจะให้พ่อแม่ ไปสู่ขอมาเป็นภรรยาพระเจริญเห็นท่าทางเจ้าชู้ไก่แจ้ของลูกศิษย์ก็ให้นึกขำจึงรีบตัดไฟเสียแต่ต้นลมว่าโยมปุ่นคืนนี้คงต้องพักค้างคืนที่วัดนี้แหละนะอาตามาจะให้โยมพักกุฏิเนนเฉลียวส่วนภรรยาสองคนจะให้พักบนศาลากับแม่ชีก้อนทองแล้วหันไปสั่งเนนเฉลียวว่า ช่วยพาโยมเข้าไปพักที่กุติด้วยเขาพาพัญญามาสร้างกุติคนนี้ชื่อสอิ่งเป็นพัญญาเก่าอายุ15้าปีอีกคนชื่อทองคำเป็นพัญญาใหม่อายุเจปีท่านช่วยแนะนำให้เสร็จสับเนนเลี่ยวได้ฟังนึกว่าหูเืนไปจึงถามขึ้นว่าท่านสมพานพูดผิดหรือเปล่าครับ โยมเอิ่งเป็นหลานสาวของพันยาเก่ากระมังครับแต่ท่านพูดว่าเป็นพันยาเก่านางแต้มจึงตอบแทนสมพันธ์ว่าท่านพูดไม่ผิดหรอกเนนแม่หนูเอิ่งนี่แหละเป็นเมียเก่าของน้าคนนี้เนนเฉลียวรู้สึกเหมือนว่าหัวใจหล่นวูบลงมากองอยู่ที่ปลายเท้ากลั้นใจถามอีกว่าโยมพูดผิดหรือเปล่า ตั้งสติให้ดีแล้วพูดใหม่สิฉันพูดไม่ผิดหรอกจ้ะถ้าท่านไม่เชื่อจะถามแม่โถดูก็ได้แม่หนูคนนี้เขาเป็นเมียเก่านะคนนี้แต่เขาได้ตายไปและกลับมาเกิดใหม่เขาระลึกชาติได้เลยมาอยู่กับผัวเขาอีกเสียงในปุ่นถามพระเจริญว่าท่านครับ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 จะปลูกใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมพอมีไม้เหลืออยู่บ้างผมจะเอามาสมทบผมคิดว่าหนึ่งช่างก็สร้างได้เพราะค่าแรงไม่ต้องจ้างผมเห็นด้วยพวกเราอยากได้บุญการสร้างกุฏิกรรมฐานคงจะได้อานิสงส์สูงพวกเราจะได้ไม่ต้องไปตกนรกโยมผู้ชายอีกคนหนึ่งสนับสนุนสมภารวัดป่ามะม่วงจึงพูดสรุปว่าเอาละ อาตมาขอขอบใจญาติโยมทุกคนและขออนุโมทนาในกุศลจิตของพวกท่านทั้งหลายนี่ก็ค่ำมืดแล้วขอให้แยกย้ายกันกลับบ้านเนนช่วยพายโยมปุ่นไปที่กุฏิด้วยส่วนแม่ชีก็พายโยมทองคำกับหนูเส อ, อิ่งไปที่ศาลาพรุ่งนี้เช้า จะได้ลงมือสร้างกุติกรรมฐานกันแม่ชีก้อนทองรับคำทั้งที่กังวลอยู่ลึกๆ ก, กังวลว่าเมื่อเทวดาชวนสดมนแม่ทองคำกับแม่ะอิ้งอาจตื่นมาเห็นและคิดว่าตนเสียสติไปก็ได้ดังนั้นเมื่อพาคนทั้งสองไปส่งที่ศาลาแล้วจึงไปหาพระเจริญที่กุติของท่าน หลวงพอ่อฉันกลัวสองคนนั่นจะเอ า, าฉั้นบาถ้าเทวดามาชวนฉันสวดมนต์ตอนเที่ยงคืนจะกลัวไปทำไมละ่ะดีซสอีกเขาจะได้รู้จะได้เห็นว่าเทวดามีจริงแม่หนูคนนั้นแกไปตกนรกมาแกเชื่อแล้วว่านรกมี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 ไม่อยากปรกจ่ะหลวงพ่อเพราถึงจะไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ก็ยังมีความทุกข์ดูอย่างเทวดาที่มาอาศัยอยู่ที่ต้นพิกุล น, นั่นอยู่สวรรค์ดีๆพอทำความผิดก็ตกจากสวรรค์มาอยู่ในโลกมนุษย์ฉ่านว่าจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดา ก็ยังมีทุกข์เพราะยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารฉันเรียนหลวงพ่อตามตรงว่าต้องการบรรลุพระนิพพานจะได้ตัดภพตัดชาติไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกฉันคิดของฉันอย่างนี้แหละจะ้ะใครจะหาว่าฉันเพี้ยน เพราะคิดผิดมนุษย์มานาฉันก็ไม่สนใจไม่ผิดหรอกโยมสิ่งที่โยมคิดและปฏิบัติอยู่นี้ถือว่าเป็นจุดหมายของพระาศาสนาเทวะน้อยคนนักที่จะรู้และเข้าใจว่าจุดหมายของพระาศาสนาของเราคือการหลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิง ซึ่งก็คือการเข้าถึงพระนิพพานอาตมาก็คิดอย่างเดียวกับโยมหากเป็นไปได้ก็จะไม่ขอเกิดมาเป็นมนุษย์อีกโลกมนุษย์นี่มันวุ่นวายจริงๆนะโยมนะนั่นสิจ๊ะหลวงพ่อเพราะอย่างนี้แหละท่านถึงได้ครองตัวเป็นโสดมาจนทุกวันนี้ แล้วจะหาว่าคุยตอนฉันสาวๆนะ่ะสวยอย่าบอกใครเชียวพวกหนุ่มๆเงี้ยตอมกันเป็นเกลียวแต่ฉันไม่สนใจใครเลยเพราะมันฝังใจมาตั้งแต่เล็กๆว่าชีวิตเป็นทุกข์ถ้าฉันแต่งงานมีครอบครัวลูกหลานฉันก็ต้องเกิดมาพบกับความทุกข์พี่ๆน้องๆฉัน ไม่มีใครเขาคิดอย่างทันจึงพาคันแต่งงานมีเหยี่ยมีเรือนไปหมดท่านก็เลยมีหลานเต็มบ้านแต่ก็ดีตรงที่พวกเขาเลี้ยงดูฉ่นเมื่อตอนแก่เอาละ่ะฉันอาจจะพูดมากไปต้องขอโทษที่มารบ ก, กวนเวลาหลวงพ่อฉันจะกลับศาลาไปปฏิบัติละ่ะพูดจบ จึงกราบสามครั้งแล้วลุกออกไปเวลาเที่ยงคืนกับหนึ่งนาทีแม่ชีก้อนทองก็ลุกขึ้นมาจุดเทียนเช่นทุกครั้งเพราะเทวดามาชวนสวดมนต์นางทองคาและนางเอิยงนอนหลับไม่รู้สึกรู้สาเพราะเทวดาไม่ต้องการให้ผู้ใดรู้เรื่องนี้นอกจากแม่ชีก้อนทองและพระเจริญ Oh, oh, oh.